พระบัญญัติ140ก็ภิกษุใดรู้อยู่ว่าน้ำมีสิ่งมีชีวิตรถหรือใช้ให้รญยาหรือดินต้องอบัติปาจิตติเรื่องภิกษุชาวเมืองอารวีจบ